ที่สถาบานันพัฒนาการาชการฝ่ายบริการสารยุติธรรมในใจเราเป็นอย่างไงเราก็รู้ว่าตรงที่ใจเราเป็นอะไรอย่างนั้นแหะเรารู้มันอยู่เฉยใจมันเป็นจริงอย่างไงก็รู้อยู่ตรงนั้นรู้มันตรงที่มันเป็นจริงๆนี่มันเป็นยังไงก็รู้มันจริงๆตรงนกันแล้วเราก็พุทโธกลับในการรู้ไว้แล้วเราก็รู้ตามความเป็นจริงของใจเราทุกขณะปัจจุบันใจเราทุขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันมัน มันเป็นยังไงเราก็รู้มันจุดตรงนั้นเนี่ยมันกลัวแล้วก็รู้ตรงที่มันกลัวมันเฉยก็รู้ตรงที่มันเฉยมันฟุ้งมันก็รู้ตรงที่มันฟุ้งมันวิตกอะไรก็รู้ตรงที่มันตกมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันไม่ทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์รู้ตรงนั้นรู้ตามความเป็นจริงมันนง่งเงียบไม่คิดอะไรก็รู้มันตรงที่เงียเงียบไม่คิดอะไรเนี่ยมันรู้ว่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปปรุงค้นหาเหตุผลอะไร เดอ๊ะท ม, มันนิ่เงียบไม่คิดอะไรวะไม่คิดอะไรก็มันไม่คิดอะไรก็ไมต้องไปปรุงอะไรขึ้นมามันรู้มันตรงที่นิ่งเงียบแหละเดี๋ยวมัคิดขึ้นมาอีกพอมันคิดขึ้นมาก็รู้ตรงที่มันคิดขึ้นมาแปนว่าถ้าไม่มีคำบริกรรมพุโทโธกํากับส ต, ติผู้รู้แล้วก็มันเสร็จหมดเสร็จไปกับมันหมดมันไหลก็ไม่รู้เรื่องอะไเงียบหลยไหลกินเงียบหมด หรืก็ไปกดมันนิ่งๆอยู่เฉยๆ ง, ง่วงพอเป็นทุกขเวทนาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวจะไม่เห็นจิตอะ่ะพอเป็นทุกขเวทนาแน่นอึดอัดทึบปวดล้าเมื่อยรู้เมื่อตรงเวทนานั่นแหละรู้ไมื่อตรงทุกขเวทนาน่ะเดี๋ยวจิตมาแนละ้แสดงอาการดิ้นห ล, ล่นผักสายหงุดหงิดลำการขุกขักขุกขักขุกขักมีความพยายามที่จะกําจัดมันให้หายไปที่จะทําอะไรกับมัน มันก็เราเห็นแล้วเห็นจิตเลยตอนนี้เห็นที่จิตเห็นจิตจิดเห็นจิตอยู่นั่นเลยเห็นมันอยู่อย่งนั้นแไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทํำอะไรให้จิตเห็นจิตเห็นจิตเห็นจิตตลอดเพราะจิตเห็นจิตเป็นมรรคอะเพราะจิตเห็นจิตเป็นนิโรธเราก็ให้จิตเห็นจิตมันไวเห็นจิตไวเห็นจิตที่มันมาแสดงแอคชั่นต่อเวทนาเนาะเราก็จะเลยเห็นจิตแล้วเราก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นะเพอมันสุขมัติบายมันว่างจุดเป็นสุขเวทนาเราก็รู้มันอยู่ตรงนั้นแ่ะรู้ตรงที่สุขเวทนานั่นแหละ แต่จะเห็นจิตมันมาแอคชั่นต่อไอ้สุขเวทนาเนี่ยน่ะมันอยากจะให้ความว่างมันว่างตลอดไปมันพยายามประคับประคองความว่างนั้นแล้วก็เห็นจิตที่มันพยายามประคับประคองความว่างมันอยากให้ความว่างตั้งอยู่มันก็เห็นจิตเห็นจิตตรงนั้นเลยเห็นจิตที่มันมาพยายามประคับประคองความว่างอยากให้ความว่างตั้งอยู่จิตเห็นจิตตรงนั้นแล้วก็เห็นตรงนั้นให้ต่อเนื่องเพรเห็นแล้วเห็นให้ต่อเนื่องจริงเพราะว่ามันเป็นการเดินทางของมรรค จิตเห็นจิตเป็นการเดินทางของมัตรตลอดผลไมเ่เกิดขึ้นเองคือนี่รถเนี่ยผลเป็นผลเน็กที่เกิดขึ้นเองเราไม่ได้ทําอะไรมันผลนะแต่ทําเหตุอย่างเดียวคือจิตเห็นจิตไอตัวเวทนาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไว้เราเห็นจิตเห็นจิตนอกจากเวทนาแล้วเป็นจิตหมดนะกายกับเวทนาแล้วนอกจากกายกับเวทนาเป็นจิตหมดเพราะมันมีกายเวทนาจิตทำนะไอผู้รู้เแล้วมินอกจากผู้รู้จแล้วมันเป็นธรรมที่จะเป็นเป็นธรรม เพราะฉนั้นนอกจากกายกับเวทนาซะแล้วเนี่ยอันไหนที่มันนอกเหนือจากตัวนี้มันก็เป็นจิตหมดแล้วใหผู้รู้มันรู้จิตนั้นไว้สติปัฏฐานสี่มันมีอยู่แค่สี่หมวดหมวดธรรมมันเป็นผู้รู้ซะแล้วหมวดกายอาจารย์ก็รู้จักเรากายเราเนี่ยรู้จักแหละหมวดเวทนาอาจารย์ก็รู้จักแล้วบอกเวทนาเพราะนนอกเหนือกับ ก, กายกับเวทนากับธรรมผู้รู้แล้วเนี่ยเป็นจิตหมดเลย กายผู้รู hold, hold, hold. Circuit, ้เนี่ยมันรู้จิตไว้รู้ว่าอย่างนั้นแหะรู้จิตไว้จิตมันเป็นยังไงรู้หมดจิตจะดีจะทั่วจะเป็นนั้นจะเป็นบุญเป็นบาปกนั้นกุศลให้รู้รู้รู้หรือจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตเลหรือหลวงปู่เทพว่าให้ใจมารู้จิตเอาไว้หืลวงปู่ดุลโธว่าให้จิตเห็นจิตเอาไว้หรือหลวงปู่ทาว่าให้สติรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจพิจารณาที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจ ก็คือจิตเห็นจิตก็อันเดียวกันหรือใจมารู้จิตก็คืออันเดียวกันที่หลวงปู่ทาว่าส ต, ติมารู้อยู่ที่ใจก็คืออันเดียวกันนั<ๆ>่นแหละเพราะว่ามันเป็นการเดินทางของมรคนะ<ๆ>นั้นนอกจากกายนอกจากเวทนาแล้ว<ๆ>มันเป็นจิตทั้งหมดอะเป็นจิตทั้งหมดเลยนอกจากนี้แล้วปจิตหมดถ้าอาจารย์รู้ว่านี้ไม่ใช่กายนี่ไม่ใช่เวทนาแล้วไม่เป็นจิตหมดเลย มันดูที่จิตเนี่ยเห็นที่จิตดูที่จิตดูที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตให้มันต่อเนื่องจริงๆเพราะเป็นการเดินทางของมรส่วนผลเนี่ยที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรธผลไม่ต้องเป็นเราทําไม่ได้ผลนะเราทําที่เหตุผลมันเกิดขึ้นเองนั้นจิตเนี่ยมันจะดีอย่างเดียวไม่ได้ไงบางครั้งจิตมันแตดีบางครั้งจิตมันก็ไปดีบางครั้งจิตมันก็ผ่องใสบางครั้งจิตมันก็เศร้าหมอง บางคั้จิตมันก็หดอูบางครั้งจิตมันก็ชอแท้บางครั้งจิตมันก็เบื่อบางงจิมันก็ เ, กเสงบางครั้งจิตมันก็เลิงล่าปรดีก็ได้เบิกบานบางครั้งจิตมันก็เป็นบุญเป็นบาปเป็ น, นกุศลหนักกุศลงูแต่ละพัดจะเป็นแต่ท่านว่าให้รู้จิตไปอย่า ง, งานั้นนะให้รู้สอบตะ ว, วันรู้อย่าไปอยากให้จิตมันเป็นไปอย่างไรให้รู้ตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนะครับทุกขณะปัจจุบันว่า ความเป็นจริงเนี่ยในกระดาษปัจจุบันนั้นจิตมันเป็นยังไงก็เป็นอันนั้นแน่ให้รู้มันล่ําไปที่หลวงปู่ทาว่าหูซื่อซื่อูซื่อซืรู้จิตซื่อซื่อจิตมันเป็นยังไงก็รู้มาตรงๆอย่าไปอยาคันมันเป็นไปอย่างไรให้หูซื่อซรู้ซื่อซื่ออันนี้เป็นทางเดินของมารู้ซื่อซืเนี่ยแน่คือปัจจุบันจิตมันเป็นยังไงก็รู้มนอันนั้น นี่เป็นทางเดินของพาะลานทั้งหลายเราจะไปอยากพอจิตมันไม่ดีอยากให้จิตเป็นดีพอจิตมันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างงุ้นอันนี้ท่านว่าเป็นทางตรงขันข้ามกับพระนิพพานจิตเห็นจิตล่ำไปจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตท่านไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาเป็นจิตหมดอย่างยิ่งของอาจารย์ยิ่งง่ายอลยของอาจารย์แต่ตึกนึกคิด ค้นหาเหตุผลค้นหาความเข้าใจอ่ะอาจารย์เห็นจิตตรงนี้เลยไม่ใช่ห้ามว่าไม่ให้มันไม่ไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ต่อไม่ค้นหาความเข้าใจนะไม่ห้ามเลยเพราะว่าอันนี้มันมันคือจิตทั้งหมดอ่ะอาจารย์ให้จิตเห็นจิตตรงนี้เลยเห็นตรงนี้ไม่ห้ามแต่ให้เห็นมันเลยให้เห็นให้ดูให้รู้ให้เห็นตรงจิตที่มันมันคิดมันตึกมันต่อมันค้นหาความเข้าใจมันปรุงแต่งเห็นตรงนี้เห็นเห็นเห็นเนี่เนี่ไม่ต่อเนื่องไม่ภาษายมันจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะดิลน์ค้นหาทํา มันคือจิตทั้งหมดให้ดูรู้เห็นมันตรงนี้เลยเพ่งดูรู้เห็นตรงนี้เลยจะทำให้มันหายไปรู้สักแต่วรู้อย่างเดียวมันเท่ากับเดินทางทิศของมรรคอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นหน้าดูเลยจิตมันเพ่งจิตมันเน้นจิตมันตั้งใจหรือมันจิตมันตั้งมั่น หรมีความรู้สึกว่าเราเขไปจ้องดู้เราเข้าไปรู้เราก็้าไพยายามจะทําอย่างไรเป็นจิตทั้งหมดแนี่ความพยายามมันก็เป็นจิตให้มันรู้อยู่ที่ตรงนั้นเลยให้มันรู้สับแต่ว่ารู้อยู่ที่ตรงนั้นรู้ที่รู้จิตอะให้มัรู้จิตที่มันตั้งมั่นที่มันตั้งใจจัดที่มันอยากให้เป็นไปอย่างไรในขณะปัจจุบันเธอเอาพฤติกรรมที่มันจดจ่อเนี่ยมาเล่าบอกคนอื่นก็ได้มันก็เป็นจิตหมดอะ คือจิตที่มันแสดงพฤติกรรมจดจ่อเธอก็รู้ตรงที่จิตจดจ่อไว้มันก็คือรู้จิตไว้ให้จิตมันรู้จิตจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอ่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรดนี้พฤติกรรมของจิตที่มันแสดงอาการรู้แล้วจดจ่อเนี่ยเธอสามารถเอาพฤติกรรมของจิตที่มันรู้แบบจดจ่อเนี่ยมาบอกได้แสดงว่านั้นน่ะมันคือจิตสนใจผู้ไปรู้จิตที่จดจ่อเนี่ยไปมันรู้ไว้อย่างนั้นเนีะ รู้จิตจิตจอดจอดอย่างงั้นแหละมื่กล่าวปรัตรู้จิตเห็นจิตเห็นพฤติกรรมของจิตสักแต่ว่าลูกไปเรื่อยเรื่อแต่ว่าลูกไปเรื่อยเอะไรก็ตามที่จิตมันแสดงพฤติกรรมอย่างไงแสดงพฤติยังจิตยังไงที่เอามาเล่าบอกผมได้เล่าบอกคนอื่นก็ได้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรมันจิตหมดให้รู้จิตไว้จิตเห็นจิตเป็นมักงไม่ต้องไปสนใจว่าผมเสเป็นยังไงให้มันจิตเห็นจิตไว้อย่างงั้นแหะ ถ้ามันเปรียบเทียบคําสมมติอย่างนอกจากมันเป็นคำสมมติเท่านั้นเปรียบเทียบอย่างหลวงปู่เทศไปเนี่ยผมว่ามันง่ายดีคืออันไหนที่เอามาบอกเอาอาการนั้นมาบอกเล่าคนอื่นก็ฟังได้ภายในใจเราน่ะอันนั้นเป็นจิตทั้งหมดไอ้ส่วนใจเนี่ยมันทําหน้าที่มันรู้จิตมันไม่สามารถเอาตัวมันเองเนี่ยมาบอกใครเขาได้เพราตัวมันเองมีสภาพเป็นยังไงมีสภาวะเป็นยังไงมันเอาตัวมันเองเอามาบอกใครก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถเอาอาการเอาพฤติกรรมนั้นนะ่ะเอาอาการอย่างนั้นนะมาเล่าบอกคนอื่นเขาได้มันเป็นจิตทั้งหมดนะอ๋อเราก็ให้ใจนะมันรู้จิตไปอย่างนั้นเราไม่ต้องไปซ้อนขึ้นมาอีกไม่ต้องไปคิดพุโทโธซ้อนขึ้นมาอีกก็ได้เพราะเรารู้แล้วว่าอ๋ออาการที่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเข้าไปจ้องดูไปมองดูแล้วเราก็สามารถเอาอาการนั้มนมบอกเล่าเขาได้ว่าเอ๊มันมีความรู้สึกว่าเราตัวเราก็าไปจ้องดูมองดู เนี่ยเราออาพฤติกรรมอย่างเนี้ยมาบอกคนอื่นไม่ได้ไอ้พฤติกรรมที่อย่างเนี้ยมันคือจิตเพราะเราสามารถเนามาบอกคนอื่นก็ได้มันคือจิตเพราะฉะนั้นอ๋อเราก็รู้จิตไปอย่างนั้นเพราใจมันรู้ตัวมันไม่มันรู้ไม่ได้ครับไม่มีใครรู้มันได้แต่มันจะรู้มีใจได้ต่อเมื่อมันรู้จิตไว้อย่างงั้นนไงรู้จิตไปอย่างงั้นจนกว่าใจมันขาดออกจากจิตผู้รู้เนี่ยมันขาดออกจากสิ่งที่ถูกรู้มันถึงจะพบตัวมันเองเนี่ย ตอนที่มันขาดประเด็นหลอมรวมมันเป็นอิสระตรงนั้นเนี่ยมันเสียสิริพานแล้วดันั้นผู้รู้ไม่ต้องไปจแหวงหาใครรู้ว่าอะไรเป็นจิตไว้แล้วก็รู้ตรงจิตนั่นแหละไม่ต้องมาแหวงหาว่าเออเราใจหรือผู้รู้เป็นยังไงมันไม่รู้หรอกมันรู้ตรงมันขาดประเด็นออกจากจิตจากสิ่งที่มันรับรู้ทั้งหมดมันเป็นอิสระจริงๆแล้วมันจริงจะรู้ว่าตัวมันเองมีสภาพเป็นยังไงแต่ตรงนั้นมันเป็นปัจจัยต่าง มันไม่ได้รู้ด้วยอายัดนาใดๆแต่มันรู้ได้ยานอย่างรู้ว่าอ๋อบัดเนี้ยมันถึงใจแล้วถึงวันนิพานแล้วมันเป็นยานอย่างรู้มันไม่ได้รู้ด้วยอายัดนา